พระศาสดาตรัสว่าพระเวสสันดรได้ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งกองพลเหล่านั้นก็ตกพระไทยกลัวสเสด็จขึ้นภูเขาทรงหวาดกลัวทอดพระเนตรดูกองพลเสนาตรัสว่าแน่มัตสีเชิญมาดูสิเสียงอันกึกก้องเช่นใดในป่าม้าอาชาไนทรงเสียงร้องกึกก้องเห็นปลายธงปลิวสวัย นายพรานพลัยทั้งหลายเหล่านี้ขึงข่ายล้อมฝูงเนื้อในป่าไล่ต้อนให้ตกลงในหลุมแล้วไล่ทิ่มแทงด้วยหอกเลือกเอาแต่ตัวพีพีฉันใดเราทั้งสองก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่มีโทษผิดถูกขับไล่จากเว้นแคว้นมาอยู่ในป่าย่อมเป็นผู้ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกอมิตรเป็นแน่เคอจงดูบุคคลผู้ประหารคนไม่มีกาลัง พระนางมะสีทูลว่าพวกอมิตรไม่พึงย่ำยีพระองค์เปรียบเหมือนไฟคมเหงห่วงน้ำไม่ได้ฉะนั้นขอพระองค์จงรลึกถึงพรข้อนั้นแหละแต่นี้ไปจะพึงมีแต่ความสวัสดีโดยแท้ลำดับนั้นพระเวสสันดรราชเสด็จลงจากภูเขาแล้วประทับนั่งในบรรณาศาลาทรงทำพระมนต์ให้มั่นคง พระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าสันชัยราชบิดาดำรัสสั่งให้กลับรถให้ประเทีบกระบวนรทับไว้แล้วเสด็จเข้าไปหาพระราชโอรสผู้ประทับอยู่ในป่าเดียวดายเสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่งทรงเฉวงพระอังสาประนมพระหัตแวดล้อมด้วยหมู่อมย์เสด็จเข้าไปเพื่อทรงอภิเสกพระราชโอรส พระเจ้าสันชัยได้ทอดพระเนตรเห็นพระเวสสันดรราชโอรสมีพระกายมิได้รูปไหล่ตกแต่งมีพระหฤทัยแน่วแน่นั่งเข้าชานอยู่ในบรรณศาลาไม่มีภัยแต่ไหนพระเวสสันดรและพระนางมัสีทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาผู้มีความรักในพระโอรสนั้นกาลังเสด็จมาทรงต้อนรับถวายอภิวาส ฝ่ายพระนางมสซีทรงศพพระเสียรอภิวาสแทบพระบาทพระสัตสุะกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมชันมสซีผู้สะพายของพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระเจ้าสัญชัยทรงสวมกอดสองกษัตริย์ประทับสวง่าพระหัตร์ูปพระปิสดางอยู่ไปมาณอาสมนั้น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 ดังหมอรีพยาบาลคนที่ถูกงูกัดฉะนั้นเถิดพระเจ้าสัญชัยตรัสว่ากุมารทั้งสองนั้นคือชาลีและกันหาชินาพ่อได้ให้ทรัพย์แก่พรามไถามาแล้วลูกรักเจ้าอย่าวิตกเลยจงเบาใจเถิดพระมหาสัตตรัสว่าข้าแต่พระบิดา่าพระบาทไม่มีโรคาพาดหรือหนอ ทรงพระสําราญดีหรือพระจักสุแห่งพระชนนีของข้าประบาดยังไม่เสื่อมเสียแลหรือพระเจ้าสัญชัยตรัสว่าลูกรักข้อไม่มีโรคาพาธและสบายดีอนหนึ่งจักสุของมารดาเจ้าก็ไม่เสื่อมเสียพระมหาสัตตรัสว่ายวดยานของพระองค์ไม่ได้ดทรุดโทรมหรือ พาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่วหรือชนบทเจริญดีอยู่หรือฝนไม่แล้งหรือพระเจ้าค่าพระเจ้าสรนชัยตรัสว่ายวดยานของพ่อไม่สุดโสมพาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่วชนบทเจริญดีและฝนก็ไม่แล้งพระศาสดาตรัสว่าเมื่อสามกษัตริย์ทรงสนทนากันอยู่อย่างนี้ พระมานดาผู้เป็นราชบุตรีไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จดำเนินไปปรากฏที่ช่องเขาพระเวสสันดรและพระนางมาัทสีทอดพระเนตรเห็นพระมานดาผู้มีความรักในบุตรกำลังเสด็จมาทรงต้อนรับถวายอภิวาทฝ่ายพระนางมาัทสีทรงซบเสียงกล่าวอภิวาทแทบพระบาทพระสัตสุกราบทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้ากล้าวกระหม่อมชั้นมัสีผู้สะพายขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระแม่เจ้าก็พระโอรสทั้งสองผู้เสด็จมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลทอดพระเนตรเห็นพระนางมัสีก็คร่ำครวญวิ่งเข้าไปหาดังหนึ่งลูกโคโน้อยวิ่งเข้าไปหาแม่ฉะนั้น ส่วนพระนางมสัสีพอทอดพระเนตรเห็นพระโอรสทั้งสองผู้เสด็จมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลทรงสั่นระรัวไปทั่วพระกายเหมือนแม่มดผีสิงฉนั้นน้ำนมก็ไหลออกจากพระทันทั้งคู่เมื่อประญาติทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วขณะนั้นได้เกิดเสียงสนั่นกึกก้องผู้เขาทั้งหลายสั่นสะท้านแผ่นดินไหวสะเทือน ฝนตกลงเป็นท่อทานครั้งนั้นพระเวสสันดรราชได้สมาคมร่วมด้วยพระญาติคือพระราชาพระเทวีพระโอรสพระสุนิสาและพระราชนัดดาทั้งสองพระองค์พระญาติทั้งหลายมาประชุมพักพร้อมกันแล้วนกการใดในการนั้นได้เกิดความอัศจรรย์น่าขนพองสยองกล้าว ประชาราชทั้งปวงพร้อมใจกันประนมมือถวายบังคมพระมหาสัตว์คร่ำครวญทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมศัศีในป่าอันน่าหวาดกลัวว่าพระองค์เป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าประบาททั้งหลายขอทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดรับสวยราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งข้าพระบาททั้งหลายเถิด ชะคติยาบพะจบ